เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อที่ที่แล้วนี่เป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากเรียกว่าอย่างน้อยร้อยปีเองจะมีสักครั้งหนึ่งตอนที่ในหลงรัชกาลที่แปดนะสวรรคตตอนนั้นคนไทยก็เศร้าเสียใจมากนะแต่ว่าก็ ก็อย่าลืมว่าสมัยก่อนสมัยนั้นคนไทยก็มีแค่ไม่ถึงสิบแปดล้านคนแล้วก็คนที่จะรับรู้ข่าวคราวของการสวรรคตก็ไม่มากอีกอย่างรัชกาลที่แปดก็ก็ยังหนุ่มอยูนะ่คนไทยก็ไม่ได้เห็นพระกรณีกิจเท่าไหร่ เพราะว่าส่วนใหญ่โครงก็อยู่ต่างประเทศก็อยู่เมืองไทยได้ไม่นานดังน้ความคุ้นเคยสนิทสนมหรือว่าความทราบซึ้งในภาคกรเงกิจก็ก็ไม่มากถ้าจะเที่ยวต้องเที่ยวกับสมัยที่รัชกาลที่ห้ารัชกาลคดซึ่งนั้นก็ร้อยหกปีที่แล้วเอาคนไทยผูกพันกับ ในหลวงรัชาลที่ห้ามากนะพระองค ก, ก็ประกอบก็ะเป็นธุกรกิจไว้หลายอย่างมากมายแล้วก็ของราชหนานด้วยสี่บสามปีแต่เชื่อจะว่าแล้วเนี่ยคนไทยตอนนั้นก็น้อยมากนะประมาณสักสี่ห้าล้านคนได้มั้งเพราะว่าตอนนั้นเชียงใหม่ก็เป็นประเทศสลาดนะเชียงใหมก่ก็มีเจ้าของเขาเจ้าเชียงใหม่ ที่เป็นที่เป็นเมืองไทยจริงจริงก็เล็กกว่าตอนนี้มากตอนนี้เชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดหนึ่งของไทยไปแล้วแต่ตอนโน้นนี่คนเชียงใหม่คงไม่ได้รู้สึกเศร้าโศกเสียใจอะไรเลยกับการสละยลคลของรอห่านะเพราะว่าเขาก็มีเจ้าของเขาดัง น, นคนที่จะเสียใจเศร้าโศกด้วยความผูกพันอะไรในรนายการที่ห้านี้ก็ ก็คงมีแค่ไม่กี่ล้านคนยิ่งถ้ามาจำกัดวงเฉพาะกรุงเทพนี่ก็แค่ระดับแสนกันนั่นแหละแต่ว่ า, าความเศร้าเสียใจก็มีเยอะนะแต่ถ้ารวมรวมไปแล้วเนี่ยพูดถึงน้ำหนักของความเศร้าโ ว, วเสียใจที่ถ้าช่างเป็นน้ำหนักเป็นปริมาณนี่ก็คงจะเทียบกับ ช่วงนี้ไม่ได้ว่าคนไทยตอนนี้ก็มีต้องเท่าไหร่เจ็ดสิบล้านคนตอนที่ในหลวงขึ้นคองราชคนไทยมีประมาณสิบเจ็ดล้านคนนะตอนนี้เจ็ดสิบล้านคนแล้วก็สูงคองราชก็เจ็ดสิบนปะีเพราะนั้นนี่แลแล้วก็ทำอะไรที่เยอะทำอะไรเยอะแยะไปหมดนะังนั้นความ ความเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวอนันกะ็เรียกว่ามันท่วมท้นทัท้งแผ่นดินแล้วก็เป็นมันจึงพูดได้ว่าเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอย่างน้อยร้อยปีจริงมีสักครั้งนะล่าสุดก็อย่างที่บอสนะสมัยการที่ห้าแล้เราก็ไม่รู้ว่าอีกร้อยปีจะมีเหตุการณ์ที่อย่างความเศร้าโศกเสียใจ กับผู้คนเท่านี้หรือเปล่านะเพราะามันต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างนะเช่นตัวบุคคลที่เป็นพระมากษัตริยนะ์นก็ต้องอทำกุญงานความดีไว้เยอะแล้วก็ครองราชนานนานพอที่คนจะรู้สึกผูกพันอย่างมากนะย่างมอยก็ต้องสองสองสองเจเนเรชั่นและการที่ห้านี่ ของราบประมาณสองชั่วอายุคนชั่วอายุคนนก็ประมาณยี่สิบยี่สิบห้าปีในหลวงการนี้ก็สามเจเนเรชั่นดัความพักดีความตรงรับพักดีที่ถ่ายทอดลงมาสู่รุ่นต่อรุ่นเนี่ยมันก็ก็มากแล้วต่อเนื่องร้อยปีหน้าคงจะมีบุคคลแบบนี้ได้ยาก ถึงแม้ว่าการทรรมาคมมันเนี่ยมันจะกว้างขวางทาให้คนได้รู้จักได้รับรู้วัฒงต่างมากมายเพราะนั้นนี้ก็อย่างเนาะ น, นี่ก็ถือว่าตอนนี้เราได้ร่วมมีส่วนนะไม่ใช่เป็นแค่ประจักษ์พยานะแต่ว่าร่วมมีส่วนในเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งนะในปะวัศาสตร์ แล้วก็คงจะไม่หวนกลับมาได้ง่ายๆก็เรียกว่าเป็นไม่รู้ว่าเป็นโชคหรือเป็นครอะหของคนรุ่นเรานะคนอายุ ป, ปัจจุบันนะที่ได้มาร่วมรับรู้มีส่วนร่วมในเอตการณประวัติศาสตร์นี้ผ่านไปหลายปีสิบปีสิบปีสามสิบปีสี่สิบปีแล้วคงจะนึกออกนะจําได้ว่าตอนที่ได้ินข่าวเรื่องนี้เนี่ยเราอยู่ที่ไหน แต่ไม่เอาแน่ไม่ได้นะพูดถึงเรื่องความทรงจำนี่เหตุการณสะเบกัญญาเนี่ยโอยคนอเมริกันนี่เรียกว่าติดตาตึงใจมากแต่ผ่านไปสามปีห้าปีสิบปีนี่ความทรงจำก็เลอะเลือนเาเคยไปสอบถาม ตอนที่เกิดเหตุการณ์สวปดกัญญาใหม่ๆนี่ก็มีอา จ, จารย์อะไรคนหนึ่งแกก็ไปสอบถามแกก็ักศึกษาจดเลยนะว่าตอนได้ยินข่าวเหตุการณ์นั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วแกก็เก็บเก็บบันทนึกทั้นเอาไว้ผ่านไปสามปีแกก็ไปถามนักศึกษาเหล่านั้นใหม่ว่าจําได้ไหมว่าเหตุการณ์สเปดกัญญาตอนได้ได้ยินข่าวเนี่ยอยู่ไหนทําอะไร นักศาก็บอกจำได้ก็เขียนใส่ใส่กระดาษแล้วเก็บกระดาษนั่นเอาไว้ผ่านไปสิบปีก็ตามนักศาเหล่านี้ถึงวันนี้ก็จบไปทำงานแล้วจำได้ไหมตอนนั้นอยู่ไหนทำอะไรทุกคนบอกจำได้ไม่จำไม่ได้ก็เขียนไปแกเก็บข้อมูลเหล่านี้แล้วก็มาเทียบกันนะ่เมื่อตอนที่เกิดเหตุการณ์วันแรก สปีต่อมาสิบปีเรามาเป็นยังไงคลาดเคลื่อนเยอะนะคลาดเคลื่อนไปส0มสิบเปอร์เซ็นลยมมนยังจํานวนคนที่จําผิดนี่ผิดมากผิดน้อยบ้างมากบ้างบางคนตอนที่เกิดเท็กใหม่ๆเนี่ยก็บอกว่าอยู่เนี่ยอยู่ใน อ, อยู่ใน อยู่ในหมหาลัยหรืออยู่ที่บ้านแต่พอผ่านไปสามปีสิบปีก็บอกว่าตอนเหตุการณ์นี้อยู่บนถนนอยู่บนถนนถนนในกรุงนิวยอร์กมันคนละเรื่องเลยนะบ้านกับถนนเนี่ยแต่ก็อาจจะมีส่วนส่วนคล้ายคลึงกันอยู่บ้างเพราะว่าตอนเช้าอยู่บ้างจริงแต่ตอนบ่ายหรือว่าตอนสา ย, สายอาจจะลงไปที่ถนนแล้ว แต่ว่าเนมุสแสงเ็นความคลาดเคลื่อนนะขนาดสิบ็กันยานเหตการยิ่งใหญ่มากไม่รู้ร้อยปีหรือสองร้อยปีสามรอปีจะมีสักครั้งแต่คนก็ยังก็ยังจำคลาดเคลื่อนต่างที่คิดว่าจำได้แน่นอนนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเหตุการ์ในโรงสารรค์เนี่ยเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็จะ จำได้แม่นว่าตอนนั้นตัวองอยู่ไหนตอนที่ได้ข่าวครั้งแรกแต่ว่าไอ้ความจำก็จะจะแปรเปลี่ยนไปเรื่อยสุดท้ายแต่ว่าได้ยินอะไรมาแต่ความมั่นใจว่าจำได้นี่ไม่เปลี่ยนความมั่นใจว่าจำได้แม่นนี่ไม่เคยเปลี่ยนถ้าไม่เป็นอาสัยเมอร์ก็ยังจำยังมั่นใจว่าจำได้แม่นแต่ว่าความจำมันไม่แม่นหรอก นี่เหตุการณ์ที่บอยนะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่หลวงมากเราก็ได้รับรู้หรือรู้สึกเองใงความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นหลายคนก็ัางที่ก็อาจจะยอมรับว่ารู้สึกเฉยๆกับในหลวงนะก็คือไม่ได้อินไปกับกระแสกระแสสารเสริญพระบรารมีอย่างที่เป็นมากขึ้นในระยะหลัง คือมันเพิ่งกระสานนี่มันก็เพิ่งเป็นมาสักสิบยี่สบปีส0ิบปีมันเนี่ยคงไม่เกินสาสิปียี่สบปีแต่ก่อนพอถึงวันห้าธันวา t h ี่ก็คนไทยก็แค่ติดธงติดธงแล้วก็รังแห่งก็จะติดมีติดพระรูปแล้วพระประมชัยลักษ์หน้าบ้านมีข้อมีอักษรย่อพอป ร, รทรงพระเจริญ แต่ว่าไม่มีประเภทใส่เสื้อเนื่องในวันสำคัญเหล่านั้นแต่ว่ากระแสนี้ก็เพิ่มก็มีมาเนี่ยสักสิบยี่สิบปีหลายคนก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปตามกระแสนันคือไม่ได้อินแบบกระแสนะแต่ว่าพอรู้ข่าวว่าในหลวงสวนคต น, นี่ก็ก็เศร้านะบางคนก็น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว บางคนก็รู้สึกมันว่างหวงรู้สึกว่าอะไรบางอย่างนะมันหายไปจากชีวิตนะอันนี้ศร้า มันมันเป็นความรู้สึกที่ออกมาเองโดยที่ไม่มีคำอธิบายนะซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าคือความรู้สึกความรู้สึกผูกพันเนี่ยบางทีมันมีโดวที่ไม่รู้ตัวนะรวมทั้งความรู้สึกพึ่งพาด้วยธรรมชาติคนเราก็ต้องการที่พึ่งอันนี้พระเจ้าตัดไป็นนานแมนุษย์เราต้องการที่พึ่งอย่างที่เราสวมมาสักครู่เนี่ยตนะ้องการที่พึ่งจะเป็น เจดีเป็นภูเขาเป็นต้นไม้อะไรก็แล้วแต่สูงหนก็เป็นพระเจ้าที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแม้แต่พูเจ้า ก, ก็ยังเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเลยนะีนับถือพระธรรมเนี่ยบทสวดชื่อธรรมคารวาตาเนี่ยในธรรมชาติคนเรานี่ก็ก็ในจิตสวนแล้วก็ สว่วหาที่พึ่งแล้วก็ที่พึ่งอันนก็คือในหลวงแต่ว่าความการการมีที่พึ่ง น, นี้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่รู้นะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เล็กจนโตแต่พอพอหายไปเนี่ยพอที่พึ่งหายไปเนี่ยมันรู้สึกได้เลยว่าอะไรบางอย่างขาดหายไปจากจิตใจหรือไปจากชีวิต คนเราบางครั้งเนี่ยมีอะไรเราก็เฉยเนะมีอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ไม่ได้ทราบซึ้งอะไรมากแต่ทันทีที่สูญเสียมันไปเราจะรู้สึกเลยว่าเกิดความเสียใจอันนี้เคยพูดไปหลายครัง้งแล้วคนเราเนี่ยจะเห็นคุณค่าสิ่งใดเนี่ยมันก็สองช่วงนะคือหนึ่งตอนที่ยังไม่ได้มันมาสองตอนที่เสียมันไปนะไอตอนที่มีเนี่ยนะเฉยเฉนะ ตอนที่มีเฉยๆหรือแม้กระ ท, ทั่งบางทีตอนที่ได้มาก็ยังเฉยๆก็ได้อย่างมีเรื่องเล่านักสลดินเนี่ยไปทํางานมา <c oughs> นักสินกลับมาจากการทํางานไปรับจ้างมาเพ <c oughs> ื่อก็าถามว่าได้เงินเท่าไหร่นักสินก็บ่นว่าได้น้อยมากเนี่ยได้แค่เนี่ยเหรียญเดียวแล้วก็เอาเหรียญเนี่ยนะโยนลงันโต๊ด้วยความมั่งศึง ว่าไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่จิบจอยมากเ่ยไอเหรียญเดียวอุตส่สาห์ทำต้องนานได้แค่นี้เองนอหวางที่คุยกันสักพักนสุรสินก็คงอยากไปข้างนอกทำธุระเดี๋ยวเข้าห้อง น, น้ําเพื่อนก็เอาเหรียญนั้นไปซ่อนนสุรสินกลับมาอ้าวหาเหรียญนั้นไม่เจอโอ้ยคันนี้หาอย่เลยนะรู้สึกเสียดายมากเลย หาหาหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอหาเป็นชั่วโมงเลยพอนักสินเดินเผอเพื่อ mm. นก็นเอาเหรียญนั้นมาวางไว้ที่เดิมหรือเอาไปซ่อนซ่อนในที่ที่มันพอจะนั่นหน่อยดูเหมือนกัว่ามันตกหล่นสักอย่างพอนักสุดินเจอนี่โอ้ยดีใจเลยนะโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่ชี่ใเห็นว่าคนเรานี่ตอนที่มีไม่ค่อยได้ไม่ได้ทราบซึ้งอะไรแต่พอเสียไปนี่โอ้ย มันเป็นเรื่องที่รู้สึกได้ถึงความเสียใจไม่่าจะเป็นคนหรือสิ่งของผัวเมียอยู่ก็ต้องนานบางทีผัวก็ลาคานเมียนะอยู่ต้องนานนะรู้สึกลาคาญไมไ่มีความสุขเลยลางที่เมียอยู่แล้ววันหนึ่งเมียตายโอ้ผัวนี่ร้องโหมร้องไห้เลยนะเพิ่งมาเห็นความสมานของเมียก็ตอนที่เมียตายไปแล้ว หรือเพิ่มควรู้สึกว่าเราลักเขาตอนที่เขาตากไปอันนี้เป็นธรรมดานะคนเราเวลามีอะไรก็ไม่เคยได้ชื่นชมอะไรเท่้งนั้นไม่ต้องดื่นไกลนะสุขภาพของเราตอนที่ยังปกติดีอยู่เราก็ไม่ได้ชื่นชมอะไรไม่สวยเป็นโชคอะไรพอไม่สบายพอป่วยเนะ่ะโอ้โเสียดายเสียดายตอนที่เรามีสุขภาพดีนะ โหยหาหรือว่าที่เคยเล่านะักกีฬาเหรียญนักกีฬาคาราเต้โดมุ่งมั่นจะได้แต่ทำเหรียญทองให้ได้มีพ่อเป็นโค้ชในใจของเธอนี่ก็ต้องให้ได้เหรียญทองเหรียญแรกของประเทศในกีฬาสีเกมพอไปฟิลิปปินส์พ่อไม่ได้ไปด้วยเธอก็มุ่งมั่นคิดแต่เรื่องเงี่ยอเหรียญทองนี่แหละ สุดท้ายก็ทำได้สำเร็จนะพอพอฉลองเลี้ยงฉลองตอนค่ำนะคอยเขาบอกว่าพ่อตายแล้วพ่อเธอตายแล้วอุบัติเหตุแต่ไม่ได้บอกนะเพราะว่ากลัวจะเธอหมดกาลังใจโอ้ยผูย้นี่ร้องหมร้องไห้เลยนะบอกเหรียนทองไม่เอาแล้วจเจ้าพ่อกับคืนมาไอ้ตอนที่พ่ออยู่เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่า มันคือสิ่งสำคัญในชีวิตนะสิ่งสำคัญสูงสุดในชีวิตสิ่งสําคัญสูงสุดในชีวิตคือเหรียญทองมุงมั่นนั่นแหละพอได้ไมาแล้วก็สูญพ่อไปโอ้ไม่เอาแล้วเหรียญทองอันนี้เกิดขึ้ น, นคนทั่วไปนะคิดว่าจํานวนมากเดียวที่ตอนที่มีในหลวงก็เออก็เฉยๆนะมันก็ว่าเป็นของตายเป็นของที่มีอยู่แล้ว ลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่เราก็ไม่รู้สึกอะไรนี่คุณค่ามันเท่าไรหรอกแล้ววันหนึ่งตอนที่เราหายใจไม่ค่อยได้นะเพราะว่าปอดพังเนี่ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะหรือเพราะไม่มีโอกาสจะหายใจโอ้ถึงค่อยรู้สึกเลยว่าจะเสียเท่าไหร่ก็ไจะขอยได้หายใจกลับมาเป็นปกติอันะนี้คนที่อยู่ในห้องไอซูนี่พวกนี้รับรู้ได้ดีนชะ่ไหม รวยแค่ไหนร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีความหมายนะพร้อมเสียนะถ้าว่าจะช่วยทำให้กลับมาหายใจได้เมื่อนัาที่เคยหายใจได้ตามปกติมาเห็นคุณค่าก็ตอนที่สูญเสียไปแล้วหรือว่ากำลังจะสูญเสียมันอันนี้พอมีความเศร้าโศกเสียใจเกิดขึ้นนะเออเราก็ก็ใช้โอกาสนะ ใช้ความใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึน้นมาเป็นมาเป็นแบบฝึกหัดในการดูจิตดูใจของเรานะมันมีอะไรที่จะสอนเราได้เยอะเลยนะความเศร้าโศกความเสียใจความอาลัยเนี่ยอย่างน้อยๆก็มันฝึกเออให้เรารู้จักมีสติรู้ทันนะเมื่อมันเกิดขึ้นมันไม่ได้สิ่งคงที่คงตัวนะ ไม่ใช่สิ่งคงที่คงตัวมันมั น, ม, นมันเกิดเกิดให้หายนะคนไปคิดว่าโหยเศร้าทั้งวันเลยที่จริงไม่ใช่หรอกเนวะลามีคนมาพูดมาคุยเรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้เราก็หยุดคิดเรื่องในหลวงชั่วคราวเราก็ไปสนใจเรื่องที่เขาตดพูดคุยกัน ตอนนั้นแหละหายเศร้าแล้วหายโศแต่พอคุยคุยจบใจมันก็ไม่มีอะไรทาไม่มีงานทำมันก็หันมาคิดถึงเรื่องในหลวงก็เศร้าต่อหลายคนสังเกตว่าพอได้ทำโน่นทำนี่นี่ความเศร้าหายนะนมีหมอคนหนึ่งมอโหวันที่สิบสี่สิบสี่นี่เศร้ามากตื่นขึ้นมาหงวงวงไม่มีเรื่องไม่มีแรงเลย แต่ว่าก็ต้องรู้ไปทํางานต้องมีคลาสสอนไม่รู้จะสอนได้ห่ามันไม่มีเรื่องไม่มีแรงเวลาเตรียมก็ไม่มีเวลานอนก็ไม่พอเพราะนอนไม่หลับเฝ้าติดตามข่าวเกลี่ ม, มาจิตใจมันไม่ใจมันไม่ไปแต่พอเริ่มลงมือสอนสักพักเนี่ยสักสิบนาทีสิบห้านาทีเครื่องก็เริ่มติกแล้ว แล้วก็สอนได้อย่างสนุสนาเลยนะความเศร้าเนี่ยหายไปเลยนะเห็นเลยนะโอความเศร้านี่มันนะมันจางไปเลยนะเมื่อเราได้ทำงานหรือว่าะทำงานเพื่อคนอื่นแต่พอเลิกสอนกลับมาที่ห้องกลับมาที่บ้านเอาเศร้าใหม่นะความเศร้ามันก็กลับมาจู่โจมจิตใจใหม่ ความเศราเป็นเป็นความไม่เที่ยงนะก็เห็นได้ชัดเนี่ยแล้วก็มันก็เป็นอนัตตาด้วยคือว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะอนัตตาเนความหมายคือไม่ได้เกิดขึ้นเองนะมันต้องมีเหตุมีปัจจัยมีปัจจัยคือว่าใจมันไปคิดนะใจมันคิดถึงคนที่จากไปซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ได้ฟังได้อ่าน ข้ อ, อความทาง a ฟ e b o o k ทางหลายก็ทำให้คิดวนคิดใหเวลาที่เราเศร้าโศนี่นะหรือจะเศร้าโศกเพราอะไรก็ตามเนี่ยยายาที่ดีสุดอังนึงคือว่าออกไปทำงานออกไปทำอะไรเพื่อผู้อื่นนะไปทำอะไรเพื่อผู้อื่นช่วยเหลือคนนั้นคนนี้หรือว่าอายถึงขั้นทำแบบเล็กยั่งเยืนรกยะยาวเลยนะ ตั้งมูลนิธิตั้งหน่วยงานขึ้นมาในนามของคนที่สูญเสียเช่นลูกพ่อแม่พอพอเราคิดถึงคนอื่นเนี่ยหรือทำอะไรเพื่อคนอื่นเนี่ยมันจะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือมาไปปลูกเมตตากรุณาความปรารถนาดีให้ขึ้นมาในความปรารถนาดีพอขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปไปไปช่วยบรรเทาความความเศร้าควา ม, วา ม, าววามโศกความเสียใจอะไรอาวรได้มันเป็น ธรรมะที่อยู่ตรงข้ามกันะความเศร้าที่เป็นอกุศลธรรมส่วนความเมตตากรุณาที่เป็นกุศลธรรมพอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไอ้อกุศลธรรมชนิดอื่ก็เกิดขึ้นได้ยากไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความเสียใจความกลัวความอาลัยความเบื่อความเซ็งไอ้พวกนี้มันตระกูลเดียวกันเมื่อพูดถึงความโกรธความเกลียดความรู้สึกตัวก็เหมือนกันนะพอพอสร้างขึ้นมาทํา พอมันเกิดมีขึ้นนะอ๋อไอ้ความเศร้าความหรืออารมณ์อกุศลต่างๆก็หายไปเหมือนกันสมาธิก็เช่นเดียวกันนะเวลาทําอะไรมีสมาธิเนี่ยความเศร้าก็หายไปพราะสมาธิก็เป็นกุศลธรรมอย่างหนึ่งอันนี้เราก็สังเกตได้เนะี่ะความเศร้ามันมาให้เราศึกษานะมันมาใ้เราได้เรียนรู้มันมาเพื่อฝึกฝนเรา เราจ ะ, จะเห็นได้ทราาความเศร้าี่มันเป็นสิ่งที่ติดต่อกันได้นะความเศร้ากับเช่นเดียวความโกรธความเกลียดมันติดต่อกันได้นะเวลาเห็ถึงเศร้าเราก็พลอยเศร้าวเวลาดูเวลาก็ฉายภาพเด็กเนี่ยเด็กที่กําลังร้องไห้เนี่ยใจเราก็าาเกปะไปด้วยแต่ถ้าเราถ้าเราเป็นภาพเด็กยิ้มใจเราก็พลอยยิ้มนะอันนี้ ทางวิทยาศาสตร์ที่บาย์เพราคนเรานี่มันมีมันมีเซลล์กระจกมีเรอเนะิวรอนที่ทําให้เกิดความรู้สึกเข้าออเข้าใจรับรู้ความรู้สึก ข, ของคนอื่นอนะเช่นเห็นเด็กดีใจเด็กยิ้มเราก็พลอยยิ้มไปด้วยเนี่ยนะก็เลือกเกิดหรือว่าเด็กเศร้าเนี่ยเราก็พลอยเศร้าอันนี้เขาเรียกว่าเอมพาธีคือความรู้สึกเข้าออเข้าใจความรู้สึก ข, ของคนอื่นเวลาเห็นคนป่วแล้วก็ คอรู้สึกทุกข์ไปด้วยนะแต่มีคนประเภทหนึ่นงที่มันไม่มีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไอ้พวกเนี่ยเขาเรียกเป็นพวกฆาตการต่อนเนื่องหรือพวกก็สายโคพาร์ดโคพารนี่ก็เป็นพวกที่มีความผิดปกติทางจิตซึ่งสามารถทาให้กลายเป็นฆาตการต่อนเนื่องได้ฆาตการต่อนเนื่องเนี่ยพวกนี้จะเป็นพวกที่ขาดเอมพาทีพวกนี้รู้นะว่าฆ่าไม่ดีแต่มันไม่ได้รู้สึก เจ็บปวดนะเวลาเห็นคนอื่นทุกเพราะนั้นจึงค่าเหยื่อได้เหยื่อจะร้องไห้จะขอวิงวอนขอความช่วยเหลือไงคนประเภทนี้ไม่ไมรับรู้ถึงความทุกข์ของของเหยื่อนะเพราะว่าใจเองไม่ได้ทุกข์ด้วยคนธรรมดานี่ถ้าเห็นคนร้องโหมร้องไห้ได้เราเห็นทางทางภาพทางโทรทัศน์เนี่ยเราก็พอยทุกข์ไปกับเขาด้วย อาจจะในระดับที่น้อยกว่าทำให้เราอยากจะไปช่วยเขาอยากจะยื่นมือไปช่วยเขาพนทุกข์นะอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าเอมพาที่หรือว่าความรู้สึกเข้าเข้าใจจนนําไปสู่ความเห็นอกเห็นใจและความเมตตากรุณาอยากช่วยเนะี่ยเมื่อเราพูดถึงการอยากจะทําร้ายเห็นค่าเขายิ่งไม่มีเลยแต่คนที่เป็นพวกไซโพภพาเนี่ยมัน มันมีสิ่งนี้ซึ่งก็น่าสงสารทั้งที่รู้รู้ว่าไม่ถูกนะจะเรียกว่ารู้ผิดชอบชั่วดีก็ว่าได้แต่มารุ้ในระดับสมองนะต่ติด ใ, ใจมันไม่ได้มาได้คอยตามด้วยคนเรานี่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นส่วนก็เพราะว่าติดใจนี่มันมีความรับรู้ถึงความทุกข์ของคนที่ถูกเราเบียดเบียนพอเรารับรู้เขาทุกข์นะเราก็ไม่อยากทา หรือว่าทําให้ลงเนี่ยที่เขาเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยไอ้คนที่เป็นพวกใส่โคพานมันไม่มีตรงนี้ซึ่งกันน่าสงสารเพราะว่าทําให้ความรู้ผิดผิดชอบชั่วดีมันไม่มีมประโยชน์เลยคือมันไม่สามารถจะหักห้ามใจไว้ได้อย่างที่เขาเรียกว่าดีชั่วลุ่มหมดแต่อดใจไม่ได้แต่ดีชั่วลุมหมดอดใจไม่ได้นี่เอาไว้ใช้สำหรับคนที่มันห้ามใจทําชั่วไม่ได้ห้ามใจ เขาหาสิ่งเสพติดอบายมุกหรือสนองกิเลสตัวเองไม่ได้แต่มันก็คล้ายๆกันในแง่ที่ว่าความรู้ที่มีในหัวนี่มันไม่สามารถจะมีอิทธิพลต่อจิตใจได้มากเท่าไหร่อันนี้ลองสังเกตดูความเศร้านี่มันก็สละคนทั่วไปแล้วมันก็มันก็แพ่ถึงกันหรือว่าระบาด นะตอนที่เกิดขึ้นคนในกรุงเทพมากนะไม่ต้องทำอะไรแค่เดินไปข้างนอกอยางคนเศร้าแล้วก็ปล่อยเศร้าไปเรื่อยโดยที่ไม่ต้องมีคำอธิบายแล้วยิ่งไปดูเฟซบุ๊กดูอ่านไลน์นี่มันก็ยิ่งแพรนะความเศร้าไปเรื่อย ไ, ไปเรื่อย มันอยูไม่ใช่แค่ความซ่อนความกลัวความเกลียไม่แต่ความเงาเนี่ยเขาก็พบว่ามันก็กระจายถึงกันได้แต่ไม่ใช่กระจายร0อยเปอร์เซ็นตนะอาจจนะห้าสิบเปอร์เซนตหมายความว่าคนที่คนที่เงาเนี่ยถ้ามีคนไปอยู่ด้วยเนี่ยนะโอกาสที่จะติดความเงาก็มาสักห้าสิบ แล้วคนที่สองเนี่ยพอมีคนที่สามก็ไปหาไปอยู่ใกล้คนที่สองก็พลอยได้รับความเหงาจากคนที่สองไปด้วยคนที่สองได้ความเหงาจากคนที่หนึ่งแล้มก็ไปแพร่คนที่สามคนที่สามก็พลอยซึมไปด้วยแล้วก็แพร่คนที่สี่แต่ว่าความเหงามัเจ้ะค่อยๆลดดีกรีลงลดดีกรีลงแต่คนที่สองนี่รับเข้าไปเยอะเลยนะห้าสิเปอร์เซต ในโอกาสที่จะเหงาเนี่ยมีห้าสิบเปอร์เซนความเศร้าก็เหมือนกันแล้วตอนนี้ก็ระบาดมากเพราะว่าวันๆไม่มีอะไรทําหรือวันๆก็ไม่อยากทาอะไรนอกจากไปเปิดดูเฟ e บุ๊ k อ่านนะยิ่งอ่านเรื่องเรื่องในหลวงดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับในหลวง เราก็ได้อ่านความรู้สึก ข, ของผู้คนเวลาที่สุขเศร้าโศกเสียใจมันก็ยิ่งอินเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีหนึ่งก็คืออย่าไปอย่าไปดูเฟซอย่าไปเล่นหลายบ้างให้เศร้าพอประมาณพอไม่งั้นก็จมดิง่งและให้สังเกตยอย่านะไอ้ช่วงนี้แหละที่กิเลสเข้ามาโชโอกาสได้ อิเล่นี่มันฉลาดมากนมันช่วยโอกาสทุกอย่างช่วโอกาสทุกเวลาแม้แต่เวลาเราทำวัดสวดมนต์มันก็ช่วยมันมาในหลวความหลงสวดมนต์ไปปากพูดไปใจลอย ค, คิดนนคิดนี่บางทีฟังธรรมฟังธรรมไปนะตาเปิดหูได้ยินแต่ใจไม่รู้ไปไหนอันนี้เรียกว่าหลงนะความหลงที่มันช่วยโอกาส ตลอดเวลานะกิเลสก็เหมือนกันนะไอ้พวกนี้มันพู้เดียวกันฉลาดมากกิเลสมันก็หาเหตุว่าตอนนี้เราเศร้าอยู่นะไม่อยากทํางานอะไรที่จะต้องขับเคี้ยวให้ตัวเองทนะําในช่วงนี้กิเลสมันจะหาเหตุว่าอยาทําเลยเช่นสมาธิตัวอฏิบัติธรรมตอนนี้เราเศร้าอยู่ไม่อยากปฏิบัตินะมันหาเหตุ คนที่ต้องเขี่ยวเขียนตัวเองออกกําลังกายเป็นประจําเพราะสุขภาพไม่ดีมันก็หาเหวี่ยญาเลยตอนนี้เรายังเศร้าอยู่นะอย่าเพิ่งตื่นเช้าออกกําลังกายเลยบางคนอยู่ในช่วงกําลังอดอาหารหรือว่างดบุหรี่นะก่เลมบอกเฮ้ช่วงนี้ยังเศร้าอยู่นะอ อย่าพึ่งเลยเรื่องงดบุหรี่นะสู่บุหรี่ก่อนดีกว่ามันเครียดนะไอที่เคยงดอาหารไม่กินของหวานไม่กินช็อกโกแลตอ่ากินหน่อยมันมันต้องคลายเครียดหน่อยเด็กที่ต้องเตรียมตัวสอบนะพยายามเคี่ยวเขียนตัวให้ให้ดูหนังสือสอบตอนนี้บอกเฮ้ยตอนนี้ไม่มีอารมณ์กำลังเศร้าอยู่อย่าพึ่งเลยนะ สังเกตนะเนี่ยลองสังเกตใจของเราเนี่ยพวกกิเลสเนี่ยมันจะมาแล้วมันจะมาโชว์โอกาสเนี่ยตอนนีเน้เอาความเศร้าเนี่ยเอาเรื่องในหลนสอนเขาเป็นข้ออ้างว่าอย่าทำโน่นอย่าทำนี่อะไรที่ไม่ทำโน่นไม่ทำนี่คือไม่ทำสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่อยากจะทำอยู่แล้วสิ่งที่เป็นความดีสิ่งที่ต้องขับเคี้ยวต่สิ่งที่ไม่ดีนี่มันทำหมดเลยนะ มันมีโอกาสมวโอกาสทําหมดเลยอ้างกว่าตอนนี้เครียดเศร้าโศกเสียใจไอคนที่ไม่มีเรื่องและไม่มีไม่ไม่มีเรื่องแรงทำเนี่ยก็มีนะไม่มีเรื่องไม่มีแรงทําจริงแล้วก็มีนคือเศร้าหมดเหมือนคนที่เสียพ่อเสียแม่เนี่ยมันบางคนนี่โอเศร้าจนกระทั่งไม่เป็นไม่มีเรื่องไม่มีแรงทําอะไรเลยนะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันพอกินเล่ด้วยนะกินเล่มันก็จะฉวยโอกาสช่วงนี้แล้ว มันฉลาดมากให้เราสังเกตใจของเราดูแนละ้วก็อย่าไปให้กิเลมันมาโชว์โอกาสนะไม่งั้นก็ไอท้ที่ไอ้ที่ได้สะสมมาความเพียรที่สะสมมาสาติสมาธิที่ความสึกตัวที่สะสมมาก็ร่วหลายหายไปหมดนะเพราะตอนนี้แนละ้วมันจะมาใช้โอกาสทุโอกาสนะถึงเวลาเทศกาลงาน ร, งรื่งเนระือง ปีใหม่คริสต์มาสวาเลนไทน์หรือวันเกิดของตัวเองก็แล้วแต่วันเกิดพ่อแม่มันก็หาข้ออ้าวเฮ้ยเราฉลองดีกว่านะ่าจะพึ่งเลยสมาธิปฏิบัติธรรมเอาไว้ก่อนออกกาลังกายช่วงนี้หยุดก่อนเนะี่ยช่วงนี้ปีใหม่นะมาฉลองก่อนดีกว่าคือมนอานะเหตุได้ทุกเรื่องอนะไม่่าจะเป็นเรื่องเรื่องมงคลเรื่องอาวะมงคลเรื่องที่ เป็นเทศกาลที่รื่นเรือหรือเทศกาลเศร้านี่มั น, มนฉลาดมากนี่ไปลงเชื่อมันแต่ว่าจะรู้เท่าทันมันได้ก็ต้องสังเกตก่อนนะสังเกตสังเกตใจของตัวนะหรือว่าสังเกตจากพฤติกรรมขอ ง, ของคนอื่งก็ไดนะ้ตอนนี้เป็นโอกาสดีนะที่มันเราได้ศึกษาจิตใจงตัวเองธรรมชาติของจิตใจ รงทั้งเห็นศึกษายคนอื่นด้วยบางคนก็หลงโดยไม่รู้ตัวนะคอยไปตำหนิคนนั้นคนนี้ว่าไม่จงรักภักดีเพราะว่าทำอะไรไม่เหมือนตัวไม่ใส่เสื้อดาเหมือนตนะไม่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดาเหมือนตัวเองนะไอ้พวกนี้ทาในานามพวกนี้คนเราเนี่ยคิดว่าทาในานามความจงรักภักดีนะ แต่ที่จริงถูกกิเลสสั่งนั่นแนหะถูกอัตตามันสั่งให้ทํานั่นแหละทำเพื่อสนองอัตตานะนไม่ไม่ใช่เพื่อแสดงความตัวละครดีในหลวงนะมันละเอียดอ่อนมากเลยนะเขาคิดว่าเขาทาเพื่อเพื่อเพื่อในหลวงนะแต่ จ, จริงๆเขาทำเพื่อตัวเองเพื่อสนองอัตตาตัวเองเพราะที่ที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยที่ไปด่าคนนั้นคนนี้เนี่ยมันอัตตามันสั่งอัตตาที่ชื่อมานะ์ ความสำคัญมันหมายว่ากูเก่ง <c oughs> กูแน่กูดีกูกูรับศรัทธาในหลวงนะมันเป็นวิธีการประกาศตัวตนแบบหนึ่งว่ากูนี่รักในหลวงทักดีในหลวงมากกว่าพวกมึงนะอันเนี้ยมันเป็นเป็นอุบายนะเป็นช่องทางของตัวอัตตาตัวกิเลสตัวบานมีที่มันมันได้โอกาสนะ คนก็ไม่รู้ตัวนะคิดว่าทำเพื่อในหลวงนะที่จริงนั่ทำเพื่อมานะเพื่อปลเปรสนองมานะหรือทิฏฐินะทิ่ถิือความเห็นนะี่ถ้าคนเราไม่สังเกตดูใจนี่มันก็มันก็นกลายเป็นเหยื่อของกิเลสเหยื่อองอัตตาเยู่ของมานะไปโดยไม่รู้ตัว แถมทำให้คนนึ่เป็นเหยื่อคลอยเดือดร้อนไปด้วยนะชาวลิวตันนี้นะกลับครับ